หรือข้อบัญญัติในวินัยคำว่าวินัยเทศนามีใช้บ้างเฉพาะในคำพีรุ่นหลังมากๆเช่นในสาระตทีปณีและใช้ในความหมายพิเศษหมายถึงสํา น, นวนวินัยหรือวิธีแสดงวินัยบัญญัติแม้แต่คําว่าปัญญตัติจะใช้กับธรรมด้วยในบางครั้งเช่นในโปโตปาตสูตรทีคณิกาย สีลันษณทวักเป็นต้นแต่ก็มีความหมายเพียงว่าเอาความจริงที่มีอยู่แล้วมาวางรูปเรียบเรียงจัดลำดับจัดเข้าหมวดหมู่เพื่อให้มองได้ชัดเจนเห็นง่ายสะดวกแก่การทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติมีใช่วางข้อกำหนดขึ้นใหม่อย่างไหนวินยัยพึ่งสังเกตว่าสำหรับพุทพพ์ในมหาปรินิพานสูตรว่าเมย่าธรรมโมจะวินโยจะ